เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาศกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันศุกร์ที่26สิงหาคมพุทธศักราช2559เป็นวันพระวันธรรมวัฒนะวันฝังธรรมเป็นวันมงคล อย่างยิ่งเพราะจะมีการกระทำที่เป็นมงคลก็คือการฟังเทศฟังธรรมตามการตามเวลาอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่ากาเลนะธรรมวัวนามเอตํมมังคละมุตตังการฟังธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะหนึ่ง จะได้ยินได้ฟังทำที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสธรทมที่เคยได้ยินแล้วพอได้ฟังซ้หอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นจะทาให้ความสงสัยต่างๆหมดไปได้สีจะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องคือมีปัญญาและห้าจะทำให้จิตใจสงบ ค่องใสมีความสุขนี่คือมองคลที่เราจะได้รับจากการฟังเทศน์ฟังธรรมการที่จะได้รับผลได้รับมงคลจากการฟังเทศน์ฟังธรรมผู้ฟังก็ต้องฟังด้วยศีลสมาธิศีลคืออะไรศีลก็คือความสงบกายสงบวาจา เช่นในขณะที่ฟังธรรมไม่ควรเคลื่อนไหวทางร่างกายควรนั่งอยู่เฉยๆไม่ควรจะทำอะไรวาจาก็ไม่ควรพูดคุยกันใจก็ต้องไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆใจตั้งอยู่ในการฟังเทศฟังธรรมเวลาฟังเทศนี้ไม่ต้องพุโทโธไม่ต้องดูลมหายใจข้อให้ดูเสียงธรรม ที่เข้ามาสัมผัสที่หูแล้วรับรู้ที่ใจถ้าพิจารณาตามได้ก็จะเกิดปัญญาเกิดความเห็นที่ถูกต้องถ้าพิจารณาตามไม่ได้แต่เกาะติดอยู่กับเสียงธรรมก็จะได้รับความสงบได้สมาธิได้ความสุข ด, ดังนั้นเวลาฟังเทศฟังธรรมต้องสงบกายสงบวาจา และสงบใจไม่ต้องกังวลไม่ต้องท่องจําว่าวันนี้กําลังได้ยินได้ฟังอะไรเช่อนอนิสงห้าข้อไม่ต้องไปท่องให้ฟังฟังแล้วถ้าเข้าใจจะจําได้เองถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจถึงแม่เอาไปท่องก็จะไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ท่องอยู่นั้นเป็นอย่างไร ดังนั้นเวลาฟังธรรมไม่ต้องจดไม่ต้องจำฟังเพื่อความเข้า อ, อกเข้าใจฟังเพื่อความสงบฟังเพื่อหยุดความคิดปรวงแต่งต่างๆที่มักจะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้แก่พวกเราบางทีเวลานั่งสมาธิถ้าไม่สามารถดูลงหายใจได้ไม่สามารถพุโทโธได้ พอมัวไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้ฟังเทศฟังธรรมไปก่อนฟังเทศฟังธรรมแล้วจะทำให้ความคิดต่างๆหยุดได้หายไปได้แล้วก็จะทำให้นั่งสมาธิต่อไปได้ <c oughs> เช่นเวลาฟังเทศเสร็จแล้ว <c oughs> ก็นั่งดูลมหายใจเข้าออกต่อไปแล้วใจจะเข้าสู่ความสงบ เข้าสู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ความสุขที่ได้จากราบยนสารเสริญความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผุตภะสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ดานัตติสันติบาลสุขขังไม่มีสุขใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบ เรามีของดีอยู่ในตัวเราของวิเศษอยู่ในตัวเราแต่เราถูกความโง่หลอกให้เราไปหาของไม่วิเศษไปหาความทุกข์กันความทุกข์อยู่ที่ไหนความทุกข์ก็อยู่ที่รากยศสนรเสริญอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสนี่เองทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่ามันไม่ถาวรมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไป เวลามาก็ดีออกดีใจเวลาไปก็อยากจะฆ่าตัวตายเวลาได้แฟนมาได้แต่งงานกันก็ดีออกดีใจพอแต่พอแฟนตายจากไปก็อยากจะฆ่าตัวตายนี่แหละคือความทุกที่พวกเรามองไม่เห็นกันพวกเราเห็นแต่ความสุขที่เราจะได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นด จากบุคคลนั้นบุคคลนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เราลืมไปว่าเขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนเขากับเราจะต้องมีวันพัดพลาดจากกันเมื่อถึงเวลาที่ต้องพัดพลากจากกันความสุขต่างๆที่เราได้จากสิ่งต่างๆก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเวลาได้ลาบก็ดีใจเวลาเสียลาบก็เสียใจ เวลาได้ยศก็ดีใจเวลาเสียยศก็เสียใจเวลาได้สรรเสริญก็ดีใจเวลาได้นินทาก็เสียใจเวลาได้สุกก็ดีใจเวลาได้ทุกก็เสียใจเพราะเรามองไม่เห็นด้านที่มันเป็นทุกนั่นเองเราเห็นแต่ด้านที่เป็นสุขเห็นแต่เวลาที่ได้ไม่เคยคิดว่า สิ่งที่ได้มาสักวันหนึ่งก็ต้องเสียไปถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็จะไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องแบบนี้นี่อานิสงส์ของการฟังธรรมจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่เราไม่ได้ยินได้ฟังมาก่อนเพราะไม่มีใครจะพูดเลยว่าการได้เงินทองมานี่เป็นทุกข์การได้ตำแหน่งใหญ่โตนี่เป็นทุกข์ การได้รับความสรรเสริญเยอนยอนี้เป็นทุกข์การได้รับความสุขจากสิ่งต่างๆนี้เป็นทุกข์ทุกคนคิดว่าเป็นสุขกันหมดถึงแย่งกันฆ่ากันแต่ที่ไหนได้แย่งกันฆ่ากันเพื่อไปเอาความทุกข์มาเหยียบย่ำจิตใจของตนเองโดยไม่รู้สึกตัวเพราะไม่ฉลาดมองไม่ครบถ้วนบริบูรณ์มองเพียงด้านเดียว ไม่มองสองด้านมองแต่ด้านเจริญไม่มองด้านเสือ่อมนี่คือสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังเวลาที่เรามาวัดมาฟังเทศฟังธรรมเราจะได้ยินเรื่องของความทุกข์กันเพราะว่าพวกเราไม่ค่ชอบความทุกข์จึงไม่อยากจะฟังยิ่งไม่อยากจะฟังก็ยิ่งจะเจอความทุกข์เพราะเรากำลังเดินเข้าหาความทุกข์กัน โดยที่เราไปคิดว่าเข้าหาความสุขกันนั่นเองความทุกข์นี้มันร้ายกามันไม่มาปรากฏตัวให้เราเห็นมันเหมือนผู้ร้ายโจทย์ผู้ร้ายในที่นั่งอยู่เนี่ยอาจจะมีโจรมีผู้ร้ายอยู่ก็ได้แต่เขาไม่แสดงตัวให้เราเห็นว่าเขาเป็นผู้ร้ายเขาจะแสดงตอนที่เรามองไม่เห็นตอนที่เราหลับเช่นขโมยเวลาขึ้นบ้านเขาไม่มาตอนที่เราเตื่นกัน เขาจะมาตอนที่เรารหตอนที่เราผลอนี่คือความทุกข์มันจะซ่อนมันจะไม่ออกมาแสดงให้เราเห็นถ้าเราไม่เอาแสงสว่างแห่งธรรมเอาไฟฉายของพระพุทธเจ้ามาฉายเราจะมองไม่เห็นความทุกข์กันเราจะเห็นแต่ความสุขเห็นอยากจะได้เจริญด้วยอายุวันนาสุขภา ร, ระกัน แต่ไม่รู้ว่าอายุวันนะสุขภาระมันก็ต้องเสื่อมอายุมันจะอยู่ไปถึงกี่ร้อยปีกันเดี๋ยวมันก็ต้องตายวันนะผิวพรรณสองใสต่อไปเวลาแก่มันก็เหี่ยวมันก็โยนไปอายุวันนะสุขะตอนนี้เวลาร่างกายแข็งแรงก็สุขดีต่อไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นคนชราก็กลายเป็น ทุก ข, ขังไปพละกาลังก็จะหมดไปนี่คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์อย่าไปอยากได้าดลาภยศสรรเสริญอย่าไปได้ความสุขทางตาหูจมูกมิอกายอย่าไปอยากได้อายุวันนะ่าสุ ข, ขภละเพราะได้มาเดี๋ยวมันต้องเสียไปเสียแล้วจะเสียใจสิ่งที่เราควรอยากจะได้ ก็คือนาทสันติปรังสุขขังความสุขที่เกิดจากความสมุบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเพราะความสุขนี้ไม่เป็นอนิจจมทุกขังอนัตตาเป็นเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตานิจจังแปลว่าถาวร อ, อยู่กับเราไปตลอดสุขขังจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไม่มีความทุกข์ อัตตาเป็นของเรานิจจังสุขขังอัตตานี่หละคือสิ่งที่พวกเราควรที่จะฝ่คว้ากันอย่าไปไขว่ฟ้าหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจหมูก น, นิ้นกายเพราะมันไม่เที่ยงอ น, นิจจงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็ต้องเป็นทุกขขังเวลาหมดหมดไปเวลามันจากเราไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา เป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นของเราเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ต้องจากเราไปหมดลาบยศสรรเสริลรูปเสียงกลิ่นรสแม้แต่ร่างกายของเราก็ต้องจากเราไปหมดเพราะเขาเป็นอนิจจ์ไม่เทีย่ยมเป็นทุกขังเวลาจากไปนี่ทุกข์มากเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นของเรา อย่างร่างกายนี้ตอนนี้เป็น ข, ของเราแต่พอตายไปมีใครอยากจะเก็บเอาไว้ไหมยกให้สับ ป, ปะเลอไปเป็นของสับ ป, ปะเลอไปเป็นดินน้ำลมไฟไปสับ ป, ปะเลอก็เอาไปเผาเผาแล้วก็กลายเป็นขี้เท่าขี้เถานไปดังนั้นเราอย่าไปอยากได้สิ่งเหล่านี้อย่าไปยึดไปติดกับสิ่งเหล่านี้ต้องหัดปล่อยวางให้ได้ ถ้าปล่อยวางได้เวลาจากกันจะไม่ทุกข์จากกันตั้งแต่ยังไม่จากกันคือตอนนี้มีอะไรที่เราไม่ต้องใช้เอาไปให้คนอื่นเสียอย่าไปยุ่งกับมัน เ, เก็บไว้เท่าที่จําเป็นจําเป็นก็แค่ปัจจัยสี่คือที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารเครื่องนุ่งหง่มอันนี้เอาเท่านี้พอ เพื่อที่จะได้เอาร่างกายนี้มาฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบพอเรามีความสงบแล้วเราไม่ต้องพึ่งลาบยศสรรเสริญไม่ต้องเพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราจะไม่เดือดร้อนเวลาจะเสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมสรรเสริญเ ส, ส, เสื่อมความสุขทางตาหูจหมูกลิ้นกายเราจะไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายแก่เจ็บตายไป เพราะเราไม่ต้องพึ่งมันแล้วเรามีที่พึ่งที่ดีกว่าก็คือความสงบความสงบที่จะอยู่กับเราแม้ไม่มีร่างกายความสงบนี้ก็จะอยู่กับเราเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ใจใจนี้ไม่มีวันตายใจนี้ตอนนี้ทุกข์กันเพราะโง่เพราะไปยึดไปติดกับของที่เป็นทุกข์ ไปยึดไปติดกับลาบยศสรรเสริญไปยึดไปติดกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปยึดไปติดกับบุคคลต่างๆสิ่งของต่างๆพอเวลาเขาจากเราไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบเราไม่ต้องพึ่งอะไรเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ดีจะกว่าลาบยศสรรเสริญ ความสุขที่ดีกว่ารูปเสียงกลิ่นรสเราก็เลยทิ้งมันได้มีเงินทองเท่าไหร่ก็บริจาคทาบุญทำทานไปได้เก็บเอาไว้พอเลี้ยงอัตภาพร่างกายให้มันอยู่ถึงอายุไข ข, ของมันเท่านั้นอย่างพระพุทธเจ้านี้ท่านมีสมบัติเพียง8ดชิ้นเท่านั้นเองมีบาทใบหนึ่งไว้สำหรับหาอาหารมีผ้าไตรหนึ่งชุดผ้าสามผืน ไว้สําหรับนุ่งห่มีประกตเอวคือเข็มขัดรัดเอวหนึ่งเส้นมีใบมีดโกนไวโกนผมโกนหนวดมีเข็มกลับได้ไว้ซ่อมจีวรเวลามันขาดแล้วก็มีที่กรองน้ําไว้สําหรับตักน้ำในในบอ่อในสระในในลําห้วยที่มันมีตัวสัตว์ที่เราต้องใช้ที่กรองกรองมันออกไป นี่คือสมบัติแปดชิ้นของผู้ที่มีความสุขมีความสงบทางใจไม่ต้องพึ่งอะไรไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขเพราะมันเป็นความทุกข์เวลามันเสียเวลามันเสื่อมเวลามันหมดไปความสุขที่ได้จากมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาคนที่ฉลาดจึงไม่มีอะไร พระพุทธเจ้ามีสมบัติเพียง8ชิ้นแล้วก็สอนให้ผู้ที่มาบวชกับพระพุทธเจ้าให้มีสมบัติ8ชิ้นเหมือนกันเวลาบวชนี้พระอุปชาจะให้สมบัติแก่ผ้าบวชใหม่8ชิ้นบาทหนึ่งใบผ้าสามผืนเป็นสใบมีโกนเป็นห้าเข็มกับได้เป็นหปะคตเอวเป็น7และที่กองน้าเป็น8 เรียกว่าอัฐบริขารอัฐแปลว่า8บริขารก็คือเครื่องใช้ไม่สอยที่จําเป็นที่มีแปดชิ้นด้วยกันอัฐแปลว่า8ดนี่คือสมบัติที่จําเป็นต่อการดำํำรงชีพของผู้ที่มีความสุขทางใจของผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการยึดติดกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ พู้ที่ไม่ทุกเวลาที่จะต้องพัดพลาดจากล้ามยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสจากบุคคลต่างๆและจากร่างกายของตอนเองนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราไม่รู้กันไม่ได้ยินได้ฟังกันถ้าไม่ได้มาวัดถ้ามาวัดก็จะได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้เรื่องของความสุขที่แท้จริงและเรื่องของความทุกข์ ที่แท้จริงและวิธีที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงวิธีที่จะตัดความทุกข์ที่แท้จริงให้หมดไปมาฟังเทศแล้วจะได้ยินทำเหล่านี้แล้วเมื่อเราได้ฟังแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติพอเราปฏิบัติได้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรใจของเราก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริง สิ่งที่ท่านสอนให้เราปฏิบัติก็มีสามขั้นขั้นบันไดสามขั้นขั้นที่หนึ่งก็ให้สละสมบัติไปอย่าเอาเงินทองไปซื้อของไม่จำเป็นซื้อของจำเป็นซื้อได้แต่อย่าไปซื้อตามความอยาก mm hmm. เช่นอย่าไปเที่ยวอย่าไปซื้อของฟุ่มเฟือยเสื้อผ้ามีพอแล้วก็อย่าซื้อรองเท้ามีพอแล้วก็อย่าซื้อถ้ามีอะไรที่จำเป็นที่พอแล้วก็อย่าซื้อ ถ้ามีเหลือก็อยากเก็บเอาไว้อยู่ใกล้มือแล้วเดี๋ยวมันคันไม้คันมือเห็นของอะไรต่างๆแล้วอดที่อยากจะซื้อไม่ได้การซื้อของตามความอยากนี่มันเป็นโทษกับจิตใจเพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติดซื้อแล้วมันจะติดจะต้องซื้ออยู่เรื่อยๆแล้วเวลาเงินไม่มีก็จะทุกซื้อไม่ได้ก็จะทาให้ต้องไปหาเงินอยู่เรื่อยๆหาเงินก็ต้องเด็ด เหนื่อยไม่มีเวลาที่จะมาหาความสงบได้มีแต่หาความวุ่นวายการหาเงินนี่สงบไหมหรือวุ่นวายหาเงินแต่ละครั้งนี่โอ้คิดแล้วคิดอีกกว่าจะได้มาแต่ละครั้งนี่เหนื่อยแสนเหนื่อยพอได้มาปุ๊บก็เอาไปซื้อของไม่จำเป็นซื้อไปทำไมซื้อแล้วมันติดพอซื้อแล้วก็อยากจะซื้อไปเรื่อยๆนี่คือทาน ให้เอาเงินทองมาทำบุญทาทานดีกว่าเพราะจะเป็นประโยชน์กับใจจะทำให้สุขใจอิ่มใจจะทำให้ใจสงบได้ในระดับนั้นแล้วจะทำให้ไม่ติดการใช้เงินซื้อข้าวของต่างๆต่อไปเราก็ไม่ต้องซื้ออะไรนอกจากของจำเป็นเท่านั้นเช่นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย นอกจากนั้นไม่ซื้อเสียเวลาซื้อไปแล้วก็ต้องทุกข์กับมันได้มาแล้วก็ต้องดูแลรักษาเวลาหายไปก็เสียอกเสียใจ <c oughs> เวลาอยู่ก็ไม่เห็นความสำคัญของมันอยากจะได้ของแปล ก, กใหม่ๆอยู่เรื่อยๆ่า <c oughs> งนั้นอย่าใช้เงินแบบนี้จะทำให้ต้องหาเงินอยู่เรื่อยๆแล้วจะทำให้ไม่มีเวลามาหาความสงบกัน ถ้าเราทําทานได้ต่อไปเราก็จะมาอยู่วัดได้มารักษาศีลได้มารักษาศีลแปดได้คนที่จะหาความสงบนี้ต้องรักษาศีลแปดศีลห้านี้ไม่พอไม่มีกําลังเหมือนจะขึ้นเขานี้ต้องใช้รถที่มีกําลังมากๆรถขับเคลื่นลอนสี่ล้อรถเก๋งนี่ท่านจะวิ่งขึ้นเขาไม่ไหวต้องใช้รถ ที่มีกําลังมากเช่นรถที่มีขับเคลื่อนด้วยสีล่ล้อศีลก็เหมือนกันศีลห้าก็เหมือนรถเก๋งศีลแปดนี่ก็เป็นเหมือนรถขับเคลื่อนสีล่ล้อถ้าต้องการขึ้นเขาขึ้นที่สูงต้องใช้ศีลแปถ้าต้องการความสงบความสุขทางใจต้องรักษาศีลแปดกัน อย่างวันนี้วันพระควรจะมาหัดรักษาศีลแปดกันสักวันหนึ่งวันธรรมดาก็รักษาศีลห้ารักษาศีลห้าเพื่อป้องกันไม่ให้ไปเกิดในอบายรักษาศีลแปดเพื่อให้ได้ความสงบเวลาตายก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพงหรือไปถึงพระนิพพานด้วยศีลแปดศีลห้านี้ไปไม่ถึงไปไม่ไหวต้องรักษาศีลแปดขึ้นไป ศีลแศีลสิศีลรสิศีลสา0กว่าข้ออันนี้เป็นศีลที่จะดึงให้ใจเข้าสู่ความสุขคือความสงบเข้าสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจึงต้องถือศีลแปเพื่อจะได้ไม่ไปทำกิจกรรมที่เป็นเหมือนยาเสพติดทำแล้วจะติด กินข้าวเย็นแล้วก็จะติดต้องกินอยู่เรื่อยๆถ้ามาฝึกไม่กินข้าวเย็นต่อไปก็ไม่กินข้าวเย็นพระที่มาบวชนี้เมื่อก่อนก็กินข้าวเย็นกันพอมาบวชแล้วก็ไม่ต้องกินข้าวเย็นกันกินมื้อเดียวก็พออยู่ได้ไม่ตายดีกว่าคนกินสามือือเสีกินสามืือแล้วน้ำหนักเกินโรคภัยไข้เจ็บเบียดเยนไขมันสูง น้ำตาลสูงความดันสูงมีแต่โรคภัยไข้เจ็บแทนที่จะอายุยาวจากการกินมากกับอายุสั้นคนที่กินน้อยกับอายุยาวว่าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบีย น, ยนอยู่หลวงปู่หลวงตาต่างๆอยู่กัน9ก้าสิบกว่าร้อยหนึ่งขึ้นไปพวกเรากินสามมือเท่าไหร่ห้าสิบก็ไปละหกสิบก็ไปละนี่ไม่เห็นโทษ ถ้าม น, นมาฟังเทศฟังธรรมก็จะไม่รู้โทษของการกินอาหารมากเกินไปท่านถึงสอนให้เรากินพอประมาณหาความสุขทางใจดีกว่าความสุขทางร่างกายนี้มันมีพิษมีภัยต่อร่างกายเองจะทำให้ร่างกายอายุสั้นดีไม่ดีก็เป็นอมัอมพฤกอัมพาตได้ไขมันอุดตันในสมองก็เดี๋ยวก็ ทำอะไรไม่ได้ไปกลายเป็นคนพิการไปตาบอดไปเพราะกินน้ําตาลมากน้ําตาลมากทําให้ตาบอดได้เมื่อเช้านี้มีคนแก่คนหนึ่งตาบอดใส่บาตถามว่าบอดมานานีา่แหลมก็บอดมาตั้งแต่เป็นได้โรคเบาหวานนี่แหละพอเป็นแล้วมันก็รักษาไม่หายก็เลยตาบอดเวลาใส่บาตต้องให้คนเขาช่วยจับมือใส่ให้นี่คือ ภัยที่เกิดจากการกินมากเกินไปแล้วจะทำให้เราไม่มีเวลามาทำใจให้สงบพอกินอิ่มแล้วมันก็ง่วงนอนมันอยากจะนอนนั่งสมาธิก็จะหลับนั่งแล้วไม่สงบจึงต้องมาถือสิงแงดกินข้าวเย็นงดหลับนอนกับแฟนถ้าไปนอนกับแฟนก็ไม่มีเวลามานั่งสมาธิแล้วก็งดเที่ยว ถ้าไปเที่ยวก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิงดแต่งเนื้อแต่งตัวเพราะว่าเสียเวลาจะแต่งไปไหนนั่งสมาธิหลับตาไม่ได้ไปฉวปวดช่วดส่งให้กับใครเขาดูกันไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปะเสียเวลาเอาเวลาแต่งเนื้อแต่งตัวมานั่งสมาธิทำใจให้สงบดีกว่าได้ความสุขมากกว่าการแต่งเนื้อแต่งตัว ทำเพผ้าทำผมแต่งหน้าทาปากนะแล้วก็อย่านอนมากเกินไปนอนแค่สี่ห้าชั่วโมงก็พอน่างกายต้องการพักเพียงสี่ห้าชั่วโมงแต่ถ้านอนบนฟูกหนาะๆนะนอนบนเตียงใหญ่ๆพอตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากจะลุกเพราะมันสบายก็จะนอนต่ออีกสี่ห้าชั่วโมงนะแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆเนี่ยพอตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากนอนต่อ พราะมันไม่สบายก็จะรีบลุกขึ้นมานั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ทำใจให้สงบฟังเทศน์ฟังธรรมทําใจให้ฉลาดให้เกิดปัญญาแล้วก็จะสามารถทําให้ใจนี้มีแต่ความสงบไปตลอดไม่มีวันหมดไม่มีวันเสือ่อมมีปัญญาก็จะทําให้เห็นโทษของสิ่งต่างๆที่เราไปยึดไปติดเห็นโทษของลางยศสรรเสริญเห็นโทษของร่างกาย ว่ามันไม่เที่ยมมันทำให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราอย่าไปยึดไปติดมันปล่อยวางปล่อยให้มันไปถึงเวลามันจะแกะ่ให้มันแก่ถึงเวลาจะเจ็บปล่อยมันเจ็บถึงเวลาจะตายปล่อยมันตายถ้าใจเรานิ่งๆเฉยๆใจเราจะไม่เดือดร้อนที่ทุกข์มากไม่ใช่ทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บความตายทุกข์มากเพราะความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย เราต้องหยุดความอยากทั้งสานี้แล้วเวลาเขาจากเราไปเราจะไม่เสียใจเราจะไม่ทุกข์ใจเช่นเดียวกับาะลาบยศสรรเสริญสุขอย่าไปอยากให้เขาอยู่กับเราอย่าไปอยากให้เขาไม่ไปเวลาเขาไปปล่อยเขาไปถ้าปล่อยเขาไปเราเฉยเฉยเราจะไม่ทุกเราจะมีความสุขเพราะเรามีความสงบที่เป็นความสุขที่ดีกว่าการมีรามะลาบยศสรรเสริญ นี่คือธรรมที่พวกเราจะมาฟังกันในวันพระฟังแล้วเราก็จะได้เกิดความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าอะไรเป็นสุขเห็นว่าอะไรเป็นทุกข์แล้วก็ไม่สงสัยว่าตายไปแล้วเราจะกลับมาเกิดใหม่หรือไม่ตายไปแล้วเราจะไปนิพพานหรือไม่เราจะรู้ว่านิพพานนี่มีจริงพระพุทธเจ้านี่มีจริงพระสาวกนี่มีจริง พรท่านเอาสิ่งที่ท่านได้เห็นได้รู้มาสั่งสอนพวกเราแล้วเราปฏิบัติตามเราก็จะรู้ใจเห็นเหมือนกับที่ท่านรู้ท่านเห็นเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พบกับความสุขเราก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดหลุดพ้นจากความทุกข์ ไม่ต้องกลับมาเวียนไหวตายเกิดอีกต่อไปนี่คือประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมเมื่อฟังแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติเอาไปทำทานเอาไปรักษาศีลศีลห้าวันธรรมดาศีลแปดในวันพร ะ, ะแล้วก็นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาแล้วใจของเราก็จะมีความสงบมีความสุขไปตลอด หลุดพน้นจากความทุกข์หลุดพน้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่เสียอกเสียใจเวลาที่จะต้องพัดพลาจากของรับของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไปนี่คืออานิสงส์ของการมาฟังเทศฟังธรรมที่เรียกว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งกาเลนะธรรมะสวนณังเอตมังกะลมุตตมังการฟังธรร ม, ตา ม, ต, ามตามการตามเวลา เป็นมงคลอย่างยิ่งการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณภาษีรัตนาไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปรับใจให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค้วค่าปลอดภัย จากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเท